ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ทําที่ไหนก็ได้เวลาใดเราก็ปฏิบัติได้เพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีปัญหามีความทุกข์ที่เราต้องแก้ไขมากมายในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะพบกับความสับสนวุ่นวายมีความเครียดหงุดหงิดอึดอัดขัดเพลิง จ, จําเจ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 ต่างเช่นว่าชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยอาจจะฝึกทำกรรมฐานเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมาหรือฝึกลุกลมหายใจไอ้ น, นี่เป็นชีวิตส่วนตัว เ, เราสามารถทำในรูปแบบคือการเจริญสติในรูปแบบเนี่ยเราควรจะฝึกนะฝึกเป็นประจำการอาบน้าการแปลงฟันการทานข้าวออกกำลังกาย